เบอร์สิกราบนมรสการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูมาจากเชียงใหม่เจ้าค่ะอดีตฝึกแนวพองยุบเจ้าค่ะรู้สึกว่าตัวเองติดเพ่งอยู่เจ้าค่ะดีที่รู้นะรู้แล้วไม่มีปัญหาแล้วค่ะบางครั้งยังรู้สึกเครียดอยู่เจ้าค่ะตอนเช้ายังเครียดเจ้าค่ะตึงตรงหน้าผากเจ้าค่ะที่แล้วนั่งสมาธิยังนั่งได้อยู่ไหมเจ้าค่ะต้องนั่งให้มีสตินะเจ้าค่ะ รู้สึกตัวไว้ก็จริงพองยุบนะถ้าภาวนาเป็นมันก็ใช้ได้ไม่ต่างกับกรรมฐานอื่นหรอกแต่ต้องมีสติที่แท้จริงมีใจที่ตั้งมั่นจริงๆส่วนใหญ่ภาวนาผิดตรงที่ไปเพ่งเอาเจ้าค่ะไปกำหนดนั่นแหละผิดแล้วหนูไม่ไปเข้าคอร์สแล้วนะเจ้าค่ะออโมทนา <laughs> <laughs> ไปทำไม <laughs> ไปแล้วภาวนาเครียดๆ ค, ค่ะขอพบพระคุณค่ะเราถามอะไรเนี่ย มาเล่าเรื่องเข้าคอสอะไรแล้วก็เดี๋ยวถามอีกน้อยเจ้าคะ่ะลืมไปยังหนูดูจิตอย่างเดียวหรือว่าทั้งดูกายดูจิตเจ้าค่ะั้งดูกายด้วยดูกายด้วยนะเจ้าค่ะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวก<ค><ะ>็รู้สึกนะแล้วที่เพ่งอยู่หายบ้างหรือยังเจ้าค่ะดีขึ้นแล้วนี่เจ้าค่ะคลายออกแล้วล่ะอย่าไปเพ่งมันเจ้าค่ะคเราพลาดน่าสงสารนะเราอยากพ้นทุก แต่เราลงมือปฏิบัติแนละ้วมันไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทุกข์มากขึ้นอยู่ในโลกก็มีความทุกข์นะยังไม่ถึงกะบ้าภาวนาผิดแล้วบ้าเลยนะมันทุกข์มากขึ้นใช้นะฝึกพองยุบถ้าทำเป็นก็ใช้ได้นะเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเป็นคนดูอย่างนี้ถึงใช้ได้แยกรูปกับนามก่อนนะส่วนใหญ่ไม่แยกรูปแยกนามนะไปเพ่งลงใส่ท้องเลย ติดบังคับด้วยเจ้าคะ่ะบังคับนั่นแหละผิดเราไม่ได้ฝึกบังคับเราฝึกให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงผิดหลักนั่นแหละใช่ไหมสติอันแรกเลยสติกําหนดใช่ไหมอันที่สองไม่ได้รู้รูปนามแล้วก็เห็นใจรักแต่ไปเพ่งรูปนามอันที่สามใจไม่เป็นกลางหรอกทําด้วยโลภะพอโลภะก็ไปเพ่งเพ่งเงาพอเพ่งเราเครียดก็เกิดโทสะนั่นเปนผิดหลักสี่ข้อที่หลวงพ่อบอกนะืเจ้าคะ่ะเบอร์ยี่สี่ กลับสวัสดีค่ะหลวงพ่อพอดีตอนนี้พยายามจะฝึกในรูปแบบอะค่ะแต่ว่าคือนี้ฝึกในรูปแบบทํายังไงเวลามันยังเพ่งอยู่ยังบังคับอยู่ใช่นะค่ะจ๊ ะ, ะก็คือเวลาให้ ร, รู้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเลยเ <_' S 2> ช่นอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากงงรู้ว่างงรู้สึกไมไ้มกําลังงงอะค่ะรู้ลงความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆ้นมารู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากแล้วเวลาทําในรูปแบบมันก็จะมีเพ่งกับ หุดหงิดก็กทําไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทำไมมันหงุดหงิดอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเพ่งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละใจไม่เป็นกลางเห็นไหมผิดหลักข้อสีที่หลวงพ่าว่าข้อหนึ่งให้มีสติข้อ2ให้รู้กายรู้ใจข้อสตามความเป็นจริงหเห็นใจรักข้อสี่ต้องเป็นกลางหงุดหงิดเพราะว่าไม่ชอบลนะไม่ชอบอะไรไม่ชอบที่ฟุง้งซ่านไม่เป็นกลางให้รู้ทันลงไปใจหงุดหงิดก็รู้ทันลงไปแล้วก็ยังให้ทําต่อใช่ไหมคะอย่าไปเพ่งสิเพ่งทําไมล่ะ คือพยายามทําในรูปแบบค่ะหลวงพ่อพยายามเดินและนั่งควาพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่ถ้าถ้าอย่างนั้นให้หนูเลิกทาในรูปแบบก่อนใช่ไหมคะใช่เลิกไปก่อนนะแล้วยืนเดินนั่งนอนเนี่ยรู้สึกตัวไปตามธรรมชาติคะพวกที่ติดเพ่งนะเลิกซะก่อนชั่วคราวมันหลังค่อยมาทําสมถะใหม่ยังไงก็ไม่ทิ้งหรอกสมถะแต่ว่าตอนนี้ทิ้งไปก่อนเอาตัวรอดซะก่อนเบอร์เป้าอยู่ข้างหลังไอยู่ข้างหลัง กราบนมัสกการหลวงพ่อจ้ะคะไม่ทราบ ต, ตอนนี้ยังเหลือเพ่งอยู่บ้างหรึเปล่าคะมีไม่มากอะมีบ้างทําไมทีมนี้เพ่งเงินเก่งๆอะอเพ่งมันทําไมมันเป็นเสียเวลามันฝึกมาแบบนั้นนะคะ <c oughs> เออหนะ้ามันเคยชินซะแ ล, ะละ้ว่ะต้องใช้เวลาเวลาเราฝึกนักกว่าเราจะเพ่งเก่งอย่างนี้เราก็ใช้เวลาทั้งนาน <c oughs> ตอนนี้ต้องใช้เวลาให้ใจมันเลิกเพ่งอย่าไปปฏิบัติต่อค่ะได้ค่ะ พยายมรู้สึกลงปัจจุบันไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกลืมคําว่าปฏิบัติซะ <c oughs> นะแค่รู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อย <c oughs> เมื่อหนึ่งกับนมันสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเพิ่งมาปฏิบัตินะคะ่ะอยากจะขอความกรุณาหลวงพ่อใจเป็นกังวลก็รู้มันไปคนะรู้สึกไหมมาพอนาะรอบเนี้ไม่น่าจะมาเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> รู้มันลงไปเลยใจเป็นกังวล แล้วไงอีกแล้วหนูยังต้องปฏิบัติในรูปแบบหรือเปล่าคะไปทําในรูปแบบก่อนนะแต่ทําง่ายๆนะเช่นเดินไปแล้วก็คอยรู้สึกตัวเดินเล่นๆอ่ะไม่ใช่เดินจริงจังนะเดินเล่นๆเดินชมนกชมไม้ก็ได้เดินไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเดินไปเรื่อยๆเดินไปแล้วก็เห็นใจมันไปคิดอะไรเงี้ยคอยรู้ทันอย่างนี้นะเดี๋ยวก็หมดแล้วใจเย็นๆไหนๆก็สมัครมาเบอร์สามสิบสองกราบขอบพระคุณห่อ บางคนบ่นคิดผิดเดี๋ยวกลับไปแล้วรู้ความเปลี่ยนแปลงของตัวเองรู้ว่าองแหมสั้นไปหน่อยครับกับกับนวัตการหลวงพ่อนะครับเอผมปฏิบัติมาสามปีนะครับนั่งสมาธิมาก็จิตส่งออกนอกไปเยอะนะครับไปเที่ยวมาเยอะนะครับอก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ยักเจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อเที่ยวมาเยอะเลยนครับครับอแต่ไม่ทันกันหลวงพ่อมันสามสิบสี่สิปีก่อนนู้นออกเที่ยวครับ ก็กำหนดลมหายใจเข้าที่สะดือนับสองแล้วถึงร้อแล้วก็ย้อนกลับมานะครับแล้วก็เหนือสะดือสองนิ้วแล้วก็ที่ตรงวางอกแล้วก็หน้าผากแล้วก็กลางกระมมอมแล้วกลับมาพิจารณากายพิจารณาใจนะครับไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ผมก็เกิดการถามสอนว่าในต่อไปเนี่ยจะต้องกําหนดในเรื่องลมหายใจเองหรือไม่นะครับเปลี่ยนวิธีหายใจนะเปลี่ยนวิธีหายใจใหม่หายใจแล้วจิตไปตั้งไว้จุดนั้นจุดนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน อาจารย์เป็นคนสอนเองเราเชื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าพิสูจ์ทั้งหลายให้เธอคู่บรลลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นรู้ว่าสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ว่าสั้นนะเราดูแค่รู้แค่ ร, ครู้วิธีรู้รู้ยังไงรู้สองแบบรู้ด้วยสติกัรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติคือเห็นร่างกายมันกําลังหายใจอยู่นะไม่ใจลอยไป รู้ด้ปัญญาคือเห็นตัวที่หายใจอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นเหมือนถุงหนังถุงลมอะไรอันนึงป่งเข้าโป่งออกเองนะใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายนี้กรเพื่อมไหวไปเรื่อยๆร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะภาวนานเนี่ยต้องมุ่งมาสู่การละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราถ้าภาวนานแล้วมุ่งไปสู่สิ่งอื่นเนี่ ย, ยเรียกว่าเดินทางอ้อมล้ ทางรัดที่สุดนะคอยรู้สึกอยู่ที่กายเห็นกายมันไม่ใช่เรานะรู้สึกเหตุจิตใจทํางานจิตใจไม่ใช่เรารู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆอย่าไปกําหนดเป็นจุดๆอย่างนั้นได้อย่างนั้นได้สมถะนะหลวงพ่อเมื่อก่อนก็เล่นลเสียเวลาปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติแนวแน ว, แนวทางของหลวงพ่อนะครับนะก็ไปที่สระหลวงกินมาสองครั้งนะครับแต่ยังไม่ยังไม่ได้พบกับหลวงพ่อนะครับใจใจมันเริ่มคลายออกดูออกไหมครับนะแต่ไปเพ่งไว้กําหนดไว้ไม่ได้กินออก หลวงพ่อเสียเวลาอยู่ตรงนี้ย2่ปีแล้วเก่งมากเลยนะหายใจปุ๊บสงบปั๊บอยากเที่ยวไหนก็ไปเลยไม่ต้องตีตัว๋วเลยบินออกเรือว<ช>ันเลยปีหนึ่งหาสาระไม่ได้เลยปรากฏว่ามันลดล่ ก, กิเลสไม่ได้จะลดล่กิเลสได้เราต้องรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันอะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆ อ, อย่างตอนนี้ใจโยมไปคิดดูออกไหมเมื่อกี้ไหลไปคิดวูบหนึ่งใช่ครับแล้วก็รู้ว่าไปคิด ตอนนี้เริ่มไปกดเอาไว้แล้วทราบไหมรตรงนี้ก็ไม่เอาหลงไปคิดก็เรียกว่าหลงนะกดเอาไว้ก็เรียกเพง่เพงเผลอกับเพ่งใช้ไม่ได้ตอนนี้หนี่พี่คิดอีกแล้วทราบไหมแคนะ่นี่ยคอยรู้ทันใจของเราไปเมื่อก่อนฝึกหายใจหายใจอย่างเดียวเลยหายใจทีแรกเรารู้ลมหายใจนะลมหายใจเรียเรื่องว่าบริกรรมนิมิตหายใจไปเรื่อยมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นแสงสว่างแล้ว เ, เห็นเป็นแสงเลยลมนะกลายเป็นแสงสว่าง เรารู้แสงสว่างนี้แทนตัวลมจริงๆตัวนี้เรียกว่าอุคะหานิมิตเสร็แล้วแสงสว่างที่เป็นเส้นสายยาวเนี่ยค่อยๆรวมตัวขึ้นมาเป็นดวงนะยอดได้ขยายได้อะไรเงี้ยเป็นปฏิภาคนิมิตอยากรู้อยากเห็นอะไรก็ส่งตัวนี้ไปส่งแสงไปดูไปเที่ยวนะไม่ได้อะไรขึ้นมากิเลสเยอะกว่าเก่าอีกกูเก่งนะอ่ะเบอร์ยีิบสอง อนุญาตส่งกันบ้านในรอบสามเดือนเจ้าคะ่ะก็ล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าสมาธิดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันก็ดีได้ไม่นานเจ้าคะ่ะของไม่เที่ยงอินพุตน่าจะคือมีการทํารูปแบบเดินจงกรมทุกวันนะเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างะบางวันก็เห็นเห็นการเกิดดับดีแต่บางวันก็ดูไม่รู้เรื่องเลยเจ้าค่ะเป็นปกตินะปกติะะเปอะแต่ว่าใจมัน เริ่มไม่เป็นกลางชัดเจนยิ่งขึ้นเจ้าค่ะนั่แหละรู้ไปใจไม่เป็นกลางก็รู้ทันใช้ได้ละเจค่ะแล้วก็เราไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาสุขเอาสงบเราภาวนาให้เห็นว่ามันบังคับไม่ได้รู้สึกไหมบังคับไม่ได้บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีทําอะไรมันไม่ได้แต่รู้ว่าทําอะไรไม่ได้ก็ดูไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยเลิกทําไปเลยก็มีทอแทบ้างอะไรเงี้ยก็ฟังซีดีช่วงที่ไม่ได้มาหาหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ฟังซีดีช่วงที่หลวงพ่อ ทุบทุบคนอื่นเลยเจ้าค่ะสม้เหมือนทุบตัวเองด้วยเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าเทียบเมื่อสเดือนรู้สึกแม่ใจมันกระยิมขึ้นมามันยิมใจขึ้นมานิดนึงเจ้อรู้สึกให้รู้ทันมันนะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องรู้แล้วไงอีกแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความกดไว้แล้วรู้สึกไหมตื้อๆเจ้าค่ะไปกดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้กระยิ่มใจตอนนี้กดเอาไว้เห็นไหมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จบยังจบค่ะเออควรละร้อยี่สิบเอดหัดดูสภาวะไม่ได้ฝึกอย่างอื่นนุ่นอยู่ข้างหลังเลยข้างหลังเสื้อแดงแดงนุ่นกราบนรมาสการหลวงพ่อครับอยากเรียนถามว่าที่ผมภาวนาอยู่ครับใช้ได้ไม่แน่ใจว่าขึ้นวิปัสสนาหรือยังครับผมฝึกรู้ไปใช้ได้ใจมันตื่นขึ้นมาแล้วเราเห็นกายมันทางานเห็ น, นใจมันทำงานได้ รู้สึกร่างกายอยู่ห่างหงออกไปแล้วครับผมใจอยู่ต่างหากร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นร่างกายทํางานไปใจเป็นคนดนะูหรือใจไปคิดใจไปนึกก็คอยรู้ทันเอาที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วไปฝึกต่อครับผมขอบคุณครับผมเบอร์เจข้างหน้าข้างหน้านักการประจารย์ครับผมก็มาฝึกปฏิบัติปร ะ, ประมัดภาวนามาก่อนแล้วก็อยากจะถามว่าบรณีที่ทําปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับมัน ยังเพ่งไปหรือว่าจะเผลอไปบ้างฮะยมพยายามรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะคนเราถ้าอายุเกิน50เนี่ยดูจิตเดียวไม่ไหวดูจิตแล้วมันจะซึมๆไปที่ยมฝึกก็ใช้ได้อยู่ก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ทไปเรื่อยๆแต่คอยดูร่างกายไปนะเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเห็นร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกเห็นมันขับถ่ายเห็นมันกินอาหารเห็นมันกระพริบตากเกลือน้ําลายคอยรู้สึกรู้สึกเล่นๆอนะ่ะไม่จริงจังนะ คือธรรมดาตอนที่ผมไปตอนนี้เป็นเป็นพี่เรียงช่วยทางพระอาจารย์เวลาไปฝึกกรรมฐานนะฮะแต่ตอนไปมันเป็นพี่เรียงรู้สึกจะมันสบายดีกว่าแต่ว่าตอนไปเข้าไปฏิบัติจริงๆแล้วมันใช่คร่งใช่ถ้าเปิดอยู่อยู่บ้านปกตินี่มันก็สบายๆก็รู้อย่างที่อาจารย์บอกฮะดีดูไปสบายๆก็ทำไปเรื่อยใช่ไหมครับสบายทำไปทำไปเรื่อยนะมุสการ์นี้ยมเคยรู้ทันกิเลสนะกิเลสไรแวบขึ้นมาเราคอยรู้กิเลสไรแวบเราคอยรู้ไป แล้วอย่าทิ้งร่างกายก็ยิ่งดูเห็นมันยิ่งมันละเอียดมากขึ้นเมันเพลอไปเรื่อ ย, อยใช่แล้วบางทีผมคิดว่ามันไอ้ที่เราไปปรุงแต่งคิดว่ามันเป็นไอ้ธรรมวิจยะหรือหรือว่าเป็นเราไปปรุงแต่งเองครับอย่างที่ทำ ธ, ธรรมวิจยะเนี่ยนะก็คือการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจอ ย, อยู่นี่ยนะเรียกว่าธรรมวิจยะคําว่าธรรมาก็คือรูปธรรมนามธรรมก็คือกายกับใจ วิธีวิจัยมันก็คือตามสังเกตตามรู้มันไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจใจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอันนี้เรียกธรรมวิจัยะนะอย่าไปคิดเอานะถ้าคิดเอาเรียกฟุ้งซ่านในธรรมะไม่ใช่ธรรมวิจัยะนะเมื่อแปดสิบเจอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า <Okay. S 1> ไงผักบุ้งออกหรือยังไปเก็บผักได้ยังเอาเอา ธรรมะส ก, การเจ้าค้าหลวงพอ่อยกมาอย่างนี้เอเพราะว่าหลวงพ่อคิดว่าฉันจิตของฉันเขาได้สัมผัสธรรมะที่หลวงพ่อถ่าย ท, ทอดให้แล้วใช่ไหมเจ้าค้าหลวงพ่อือว่าจิตของชันนะเขาได้สัมผัสธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้แล้วใช่ไหมเจ้าค้าหลวงพ่อยังเหรอคะแล้ว แล้วเ ส, เสร็จแล้วเมื่อตอนที่ฝนตกสองสามวันเนี่ยค่ะฉันออกไปไปจะไปปลูกผักอีกกันค่ะหลวงพ่อพอเห็นพืชผักที่มันงอกขึ้นมาแล้วฟาร์มรู้สึกแวบคิดถึงตัวเองว่าถ้าเราไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่หลุดพ้นเราก็ต้องงอกเหมือนกับอันนี้อีกแล้วค่ะหลวงพ่อแลนะค่ะแล้วพอตกกลางคืนนะเจ้าค่ะหลวงพ่อจิตมันตั้งมันขึ้นอีกนะคะหลวงพ่อ จิตมันตั้งมันขึ้นอีกสามครั้งและครั้งแรกมันมันยังไงฉันก็บอกไม่ไม่ถูกแล้วนะคะรู้สึกว่ามันเห็นทางเล็กๆที่จะต้องไปด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องไร้เจตนาใดๆทั้งสิ้นแต่แต่มันก็ผ่านไม่ได้แต่ก็ไม่ท้อถอยพอสักเดียวมันก็ตั้งมันอีก <c oughs> แล้ว มันก็พูดไม่ถูกบรรยายไม่ถูกหรอกเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่มันก็ผ่านไม่ได้ถึงสามครั้งมันก็ผ่านไม่ได้เจ้าค่ะหลวงพ่อมันผ่านยังไม่ได้ไม่เป็นไรฉันฉันขาด้องตรงไหนขอหลวงพ่อโปรดอย่าจงใจนะค่ะรู้เล่นๆรู้สบายสบายถ้าเรายิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้นะแต่แต่ตอนที่จะตั้งมัน่ะมีได้มีเจตนาแต่ะไัตไม่ไม่เจตนาไงมันเป็นเอง ันนแล้วนะถ้าจงใจแล้วไม่เป็ี่ยนออกมันไม่ได้มีเจตนาเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ํามาก็ล้มตัวลงนอนอมีได้คิดปฏิบัติเลยแต่แต่ว่ามันสัมผัสเองเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่แหล่เป็นเกิดจากเราหัดเจริญสติอยู่ทั้งวันนะพอเราตั้งใจปฏิบัติอยู่ระหว่างที่ตั้งใจปฏิบัติอยู่เนี่ยจะไม่เข้าใจอะไรขึ้นมาหรอกอแต่พอหมดความตั้งใจหมดความจงใจก็จะเข้าใจขึ้นมาแต่ว่ามันยังไม่พอ มันยังรู้ไม่ไ ม, ไม่ไม่พอใช่ไหมคะับใชพ่ อ, พอรู้สึกตัวไปอีกค่ะแล้วความปรารถนาของฉันนะตอนนี้ฉันก็เพียงแต่ปรารถนาว่าที่ฉันได้รับธรรมะจากหลวงพ่อเนี่ย มัจจุราชนะว่าข้างไหนจะมีกําลังมากกฝ่ากันฉันปรารถนาเพียงแต่แค่นี้นะคะหลวงพ่อฉันไม่ได้ปรารถนาเรื่องเป็นพระอริยะอะไรเลยทั้ ง, งสิ้นนะเจ้าคะเจ้าค่ะหลวงพ่อดีแล้วอย่างนั้นภาวนางง่ายแล้วหลวงพ่อว่ามีอะไรที่ฉันบกบกพร่องที่หลวงพ่อจะช่วยตักเตือนไหมเจ้าคะไม่สนใจคนอื่นน ะ, คะใครจะคิดยังไงใครจะพูดยังไงใครจะนึกถึงเรายัางไงช่างเขา เรามีสติรู้กายรู้ใจของเราอยู่อย่างนี้เรื่อยๆใช่แล้วความรู้สึกของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อว่าชั้นเข้าคลุกคลียกับธรรมะทุกวันไหมคะมันหมกมุ่นไปหมกมุ่นไปแล้วคะใจมันถล่มเข้าไปคลุกคลีมากไปคลุกคลีมากอ๋อคลุกคลีมามากมากเกินไปคลุกคลีกับธรรมะมากไปเนี่ยใจเริ่มถอนออกมาแล้วรู้สึกไหมค่ะค่ะจะต้องรู้สึกอย่างนี้น่าอย่างตะกี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าชั้นนั่นะจะตั้งท่าปฏิบัติจงใจอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวจ้ะค่ะหจงใจก็ผิดสิค่ะ แต่ไม่จงใจนะบางคนคืออย่างนี้ต้องจับหลักให้แม่นน ะ, ะเรามีหน้าที่ปฏิบัติเราปฏิบัติไประหว่างที่เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันเจือความจงใจก็รู้ทันมันแต่จะไม่ให้จงใจเลยก็เป็นไปไม่ได้มันห้ามไม่ได้จริงๆแต่ว่าอาศัยว่าเราทําไปเรื่อยๆ น, นะถึงจุดหนึ่งที่จิตมันหมดความจงใจมันจะได้ขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างนะพระรนนท์พระนนในคืนสุดท้ายก่อนจะบรรลุพระอรหันเนี่ยพระนนเดินจงกรม เคลื่อนไหวในพระไัยปิดกบอกว่าพระนรนยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายเป็นส่วนมากรู้สึกอยู่ที่กายเป็นส่วนมากทําไมพระนนไม่ไปนั่งดูจิตไปั้นพระนนแก่มากแล้วอายุต้อง80แล้วท่านเคลื่อนไหวท่านกระดุกกระดิกท่านคอยรู้สึกของท่านไปเรื่อยๆตลอดคืนนะไม่สําเร็จนะพอตอนใกล้สว่างท่านก็คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องไปสังขยนาต้องพักสัหน่อยแล้วไม่ได้ก็ช่างมันเถอะท่านก็เอ็นตัวลงนอนบมกตอนที่เอ็นตัวลงนอนนอนบนเตียงนะเตียงท่าน แคบๆหน่อยบอกศีรษะไม่ทันถึงหมอนเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นก็บรรลุพระรหันท์ทำไมบรรลุพระรหันตอนนั้นเพราะตอนนั้นหมดความจงใจพวกเราเอนเฉยๆจะบรรลุไหมไม่บรรลุพระนอนท์อยู่ๆก็เดินไปแล้วก็เอนพระนนก็จะไม่บรรลุอาศัยการจงใจปฏิบัติเนี่ยตั้งอกร่างใจทํามาทั้งคืนนั่นแหละพอหมดความจงใจมันก็เลยบรรลุเพราะฉนั้นไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยนะต้องคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจคอยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไป สะสมไปมันจะเจือด้วยโลภอะไรก็ช่างมาันเธอก็คอยรู้ทันไประยะระยะไปอาศัยการสะสมจนมันพอพอมันพอแล้ววันใดหมดความจงใจนะั้นมันได้ตรงนั้นเลยอ๋อหลวงพ่อก็หมายถึงว่าตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้ละละล ะ, ละเลยใช่ไหมคะใช่แต่ก็มิได้ว่าเร่งปรารถนาอะไรรุนแรงวะคะนั่นแหล ะ, ะ ไ, ไม่ปรารถนาดีแล้วค่ะเพราะนะว่าดูห่างๆนะจ้าสิ่งที่ปรารถนาตอนนี้ก็ยังที่บอกหลวงพ่อนะคะว่าเราเรา ะ, ะ, ะวังมัม มัจจุราชกสติปัญญาที่ได้มาจากหลวงพอ่อใครจะมีกําลังมากกว่าชปากั น, าานไปดวนกันอย่างนั้นเลยนี้ว่าเป็นเส้นขนาขนกันนะคะอขอนาสการขอบพระคุณหลวงพ่อครับฝึกไปนะฝึกไปใครจะคิดยังไงเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่มีสติรู้กายรู้ใจจะบรรลุไม่บรรลุก็เรื่องของมันอีกนะไม่ใช่เรื่องของเราอีก ฝึกไปต้องใจถึงถึงนะถ้ายังรู้สึกว่าจิตเป็นตัวเรารักมันมากหวงแหนมันมากอยากให้มันบรรลุมากๆนะมันไม่บรรลุหรอกมันไม่สามารถละความเห็นผิดว่าเป็นเราได้นะเพราะนั้นมันบรรลุก็เรื่องของมึงไม่บรรลุก็เรื่องของมึงหลวงพ่อใช้คําอย่างนี้เลยนะมีอยู่ช่วงหนึ่งภาวนาโอ้ยสุดสติสุดปัญญาแล้วทาไงมันก็ไม่บรรลุไม่ถึงที่สุดสักทีโมโหเหมือนกันนะสุดท้ายได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมึงนะออ ลองเล่นอย่างนั้นเลยนะใจถึงถึงไวอะสังเกตมาทุกทีทุกทีนะทุกคนทุกคนอะเวลาจะเข้าใจขึ้นมามันจะเป็นความเข้าใจตอนที่ไม่ได้จงใจจะรู้อะเป็นเองอะแต่ว่าอยู่ๆจะเป็นเองได้ไหมเป็นเองไม่ได้ต้องหัดรู้กายรู้ใจไปเพราะไม่ใช่อยู่ๆก็บรรลุเองไม่ต้องทําอะไรแล้วบรรลุเองหมาก็บรรลุไปหมดแล้วทั้งนั้นหมาไม่ได้ทําสตินี่งั้นเราต้องรู้สึกนะรู้สึกกายรู้สึกใจไปเอาเบอร์หก้า รู้สึกไปจนวันนึงหมดความตั้งใจมัส ก, การเจ้าค่ะสองอาทิตย์ที่แล้วโยมมาส่งกันบ้านค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าโมหาเยอะให้ไปกระดุกกระดิกแล้วก็เดิน<ม>จงกร ม, มยมก็ฟุ้งซ่านเดินจงกรมแล้วก็โม่ๆดูไม่รู้เรื่อง<ม>จนไม่เอาแล้วอ่ะเจ้าค่ะแบบไม่เอาแล้วเลิกแล้ว<ม>พอนาทีที่วินาทีที่เลิก<ม>อ่ะเจ้าค่ะนั่นแหละเหมือนที่บอกตะกียะ ใช่เจ้าค่ะสติมันเกิดทียิบภายในในเก้าหรือ29จนนับไม่ทวนแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นมายมรู้สึกว่าสภาวะทั้งหลายที่มันเกิดนะเจ้าค่ะจะอะไรก็ตามจะสุขจะทุกข์จะฟุ้งจะโมหะหรือมันมีสติหรือไม่มีสติยมรู้สึกมันเสมอกันหมดนะเจ้าค่ะแต่แต่ยมไม่ทราบว่ามันจะเรียก เป็นใจรักหรือเปล่าเพราะมันรู้สึกมันมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเป็นของมันอย่างนั้นมันไม่ใช่เราเนื้อแหละเห็นไจรักอยู่นะแต่จิตยังไม่ได้เสมอจริงหรอกจิตยังไม่ได้เป็นกลาง 100% นหรอกเพียงแต่ว่ามันเริ่มยอมรับความจริงมากขึ้นส่วนลึกไม่ันยังแอบลุ้นอยู่แต่ตอนเนี้ยมาเป็นกลางแล้วเดี๋ยวจะได้ละไม่กลางจริงหรอกเราค่ะนะให้รู้ทันนะทําต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะทำต่อไปที่ฝึกอยู่ดีแล้วเห็นไหมถ้าไม่ไปเดินมันจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นเห็นไหม อย่างหลวงพ่อบอกไปเดินหรือไปดูกระดูกหรือไปอะไรทํำไปเถอะเดี๋ยวไม่ใชเห็นเองแหละถ้าอยู่ๆไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็บัรลุไอ้นี่ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดมันก็ยึดความไม่ยึดนั่นแหละมันใช้ไม่ได้จริงหรอกร้อสิบกกราบนมันส ก, การหลวงพ่อสิค่ะมาจากนาครสวรรค์ น, น, นะคะก็ฝึกจากซีดีแล้วก็จากหนังสือของหลวงพ่อค่ะมาได้เกือบปีแล้วอะค่ะก็ก็ไม่รู้ว่าได้รู้ ได้รู้หรือว่าได้มีสติเกิดบ้างหรือยังเพราะว่ามันจะปนปนกับคิดสมาธิ่ะมันยังผลคิดเยอะอยู่ค<ะ>พยายามร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเอา ก, กายมาช่วยนะของค<ะ>ุณือจิตอย่างเดียวไม่พอคเพราะฉะนั้นอย่างพยักหน้าเนี่ยเห็นร่างกายมันพยักหน้าใจเราเป็นแค่คนดูเห็นร<ะ>่างกายมันหายใจใจเราเป็นแค่คนดูฝึกตัวนี้ช่วยมันนิดนึงเห็นใจมันเต้นด้วยรู้สึกไหมตอนเนี้ใจมันว่างๆโล่งๆจ้าๆไปเฉยๆ<ะ>มันหนี มันตื่นเต้นแล้วมันเลยหนีหลบมาเข้าช่องจ้าจ้านี่ยแล้วไม่ไม่ค่อยทําสมถะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําในรูปแบบเพราะว่าทําสมถะไม่ไม่เป็นคะต้องไปกวาดบ้านเป็นไหมกวาดบ้านไปกวาดบ้านกวาดบ้านแล้วเห็นร่างกายมันกวาดบ้านใจเราเป็นคนดูนะกวาดไปกวาดไปแล้วขี้เกียจึ้นมารู้ทันใจที่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยกวาดไปกวาดไปแล้วโมโหว่าคนอื่นทำสกปรกรู้ทันว่าโมโหไปหางานทํานะ งานบ้านก็ได้ก็คือให้ให้ไปดูกายเพิ่มใช่ไหมคะส่วนที่รู้สภาวะก็ให้รู้ต่อไปรู้ต่อไปนถ้ามันถ้ามันคือแรงมันไม่พอนะแรงเราไม่พอกําลังของสมาธิเราไม่มีเราเอาร่างกายเคลื่อนไหวมาช่วยนะมันร่างกายเป็นของหยาบดูง่ายใจมันจะมีแรงขึ้นมาดูแต่อารมณ์ที่ละเอียดมากเกินไปนะใจจะไม่มีแรงงั้นเราดูกายด้วยกายเป็นของหยาบ ก็คือที่ทำที่ทำมาก็ก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าให้งานทำาหงานที่บ้านทำนะค่ะค่ะซักผ้าถูบ้านไหนทำไปเรื่อยๆลดต้นไม้อะไรเงี้ยทำไปค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะดีนะทำงานให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วสติตามดูไปเบอร้อยสี่อยู่ที่ใด หลวงพ่อครับเมื่อ2 ส, สัปดาห์ก่อนผมขยับมือโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเล่นๆแล้วก็หลวงพ่อเขาบอกว่าให้ขยับอย่างนั้นผมจะสังเกตยังไงว่าเวลาผมขยับแล้วมันถึงจะถูกต้องแล้วไม่ถูกต้องแรกๆไม่ถูกหรอกมึงก็จงใจหน่อยๆะครับเราฝึกไปแล้วเนี่ยขยับเราก็รู้สึกนะจิตไหลไปอยู่ในมือเราก็รู้สึกขยับแล้วจิตนี้ไปคิดเราก็รู้สึกขยับแล้วคอยรู้จิตไปได้่อยๆต่อไปเวลาเราเผลอเราเกิดขยับตัวเราไม่ได้ขยับมือด้วยซ้ําไปเคยฝึกมือนี้นะเกิดขยับ คอขึ้นอย่างเงี้ยสติเกิดเองเลยมันจะรู้สึกขึ้นมาโดยที่ไม่ได้จงใจแต่ที่ผมขยับเล่นเล่นทุกครั้งที่ผมมาผมก็ขยับที่อย่างนั้นถูกแล้วใช่ไหมครับในรองขยับโชว์สิถ้าขยับต่อหน้าหลวงพ่อมันจะทําไม่ได้ทัทีไม่ได้นะครับเพราะมันจะไปอดัดดยแล้วให้สังเกตในการจิตตั้งมัน่นมันจะสังเกตยัยงไงครับหลวงพ่อเวลาขยับนะรู้สึกไหมใจเรากระจายออกไปไหมครับนะถ้าใจกระจายออกไปรู้ว่ากรนะจายเลยจิตไม่ตั้งมัน่น ถ้าจิตตั้งมั่นมันต้องสังเกตยังไงจิตตั้งมั่นมันจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นแค่คนดูอยู่ต่างห่างเองครับตอนนี้คิดเจอไปครับไม่ขยับไว้คิดมากไปผมจะรู้สึกตัวตอนเวลาขับรถอครับหลวงพ่ อ, อเวลาขับรถมันก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวมันก็จะมันรู้สึกว่าสลังนั่งพิงเบาะหน้าขาเหยียบเบรกหนะ้<ช>เหยียบเขาเร่งมันจะรู้สิครู้สิเปลี่ยนไหมหลังไม่ใช่เราขาไม่ใช่เราครับเอองั้นไปขับรถบ่อยๆ่อแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผมจะไม่ค่อยคือทำคือ สติตัวจริงมันเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้เลยเพราะว่ามันไม่หวือหวาเหมือนเมื่อก่อนนั้นใเพราะว่ามันเบามากใช่เพราะว่าความโกรธมันก็ไม่เห็นแค่แต่มันจะเห็นเวลาขัดใจแล้วมันก็จะหลุดแต่ตอนนี้มันมาเห็นตัวเวลาตัวความอยากตัณหาหลวงพมันอยู่ตรงเนี้ยใช่มาดิ้นขึ้นขึขัดแล้วถ้าเราไม่ทําตามใจมันนะหลวงพ่อโอ้มันมันทรมานมากเป็นทุกข์สิตัณหาเป็นเจ้านายที่ฉลาดที่สุดในโลกเลย ถ้าตัณหาเป็นเจ้าหน่ายที่ให้คุณให้โทษครับเวลาเราอยากขึ้นมาแล้วเราไปสนองมันนะมันจะให้ความสุขเรานิดหนึ่งแต่ถ้าเราไม่สนองมันนะอึดอัดตายเลยของผมมันไม่เคยมีอย่างอื่นหลวงพ่อมันจะมีในเรื่องของเรื่องตัณหาในเรื่องของการอยากเสพกามครับอก็รู้ทันไปรู้ทันมันไม่ก็ไม่หลุดอะครับยังไม่ใช่พระอนาคาแค่รู้ก็พอแล้วขอบคุณมากอย่าให้ผิดสีก็พอแล้วครับเบอร์ไลท์สี่สิบเจ็ด นเทสกาลค่ะหลวงพ่อ ข่าวที่แล้วที่หลวงพ่อบอกส่งกันบ้านนะคะที่บอกว่าเห็นขันอยู่ห่างๆนะคะหลวงพ่อบอกว่าดูไว้ว่าเรามีเราผลักออกนิดหน่อยหรือเปล่าก็รู้ว่ารู้สึกว่าใช้มีมีการผลักแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผัสสะแรงๆเข้ามาเยอะเนี่ยนะคะมันก็ลืมผลักไปแต่ว่ามันก็มีเข้าไปด้วยแต่ว่ามันก็จะรู้สึกเหมือนกันว่ามันบางครั้งมันอยู่ห่างจริงๆที่บางทีบางทีอยู่ห่างจริงบางทีก็อยู่ห่างเพราะเราดันเอาไว้ใช่ค่ะให้รู้ทันอย่างนั้นใช้ได้ค่ะดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกไหม ไปผักอยู่ก็อื่นอัดสิค่ะแต่เพราะมันเป็นของจริงแล้วมันมันลืมผักนะคะแต่ว่ามันก็ยังยังสามารถที่จะเห็นอยู่ห่างๆได้บ้างเหมือนกันดีใช้ได้แล้ดีขึ้นนะค่ะแล้วต้องแก้ไขอะไรอีกแก้อะไรล่ะดีแล้วยังไม่มีอะไรใช่ไหมคไม่มีคําว่าแก้นะมีปรัสนามีแต่รู้ตามความเป็นจริงค่ะกราบมัสการค่ะเวลาใจเรายินดีใจเรายินร้ายนัใจเราจะเข้าไปเกาะกับอารมณ์ยกตัวอย่างนะสมมติว่านี่มีพัดเนี่ยพัดเนี่ย หลวงพ่ออยากได้หลวงพ่อก็เอื้อมมือไปดึงใช่ไหมมือเราก็ต้องไปติดที่พัดนี่พัดมันอยู่ตัวนี้หลวงพ่อเกลียดมันหลวงพ่อผลักมันมือเราก็ไปติดที่พัดนี่จิต <c oughs> นี่เหมือนกันนะถ้ามันยินดียินร้ายในอารมณ์นะมันาะเข้าไปเกาะ อ, อารมณ์เกาะแล้วดึงมามั่งเกาะแล้วผลักไปบ้างๆๆๆก็ไปติดอยู่นั่นๆๆแล้ถ้าเราเป็นกลางไม่ยินดีร้ายมันก็ต่างคนต่างทํา ง, ทงานของมันไป <c oughs> อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่นี่ก็รู้อยู่ที่นี่ก็รู้ใชเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะเราเป็นกลาง เ <14. S 2> ก่าในมัธกรารหลวงพ่อเจ้าค่ะคือฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ปฏิบัติเองที่บ้านมาสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันจะนิ่งๆนะคะก็รู้ทันว่านิ่งนะแล้วบางทีนั่งสมาธิก็จะรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอึดอัดเพราะจงใจอยากจะสงบคะ่ะแล้วอยากทราบ ว, ว่าวิหารธรรมที่เราต้องใช้อย่างเงี้ยคะ่ะขอคุณนั่เคลื่อนไหวร่างกาย ไ, ไปเดินอะไรเงี้ย หรือหางานบ้านทำอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยทำงานไปแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานไปนะร่างกายทำงานไปบ้างพอจิตหนีไปคิดเราก็รู้ทันว่าจิตไปคิดเนี่ยมันจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตแล้วที่ปฏิบัติอยู่ใช้ได้ไหมเจ้าค่ะใช้ได้ใช้ได้นะแต่ของคุณนะดูกายไว้อย่าอย่าดูแต่จิตอย่างเดียวจริตนิสัย ข, ของคุณต้องดูกายด้วยขอบพระคุณเจ้าค่ะหมดแล้วเนะจะเชิญกลับบ้านยัง <laughs> ยังไม่ยอมเอาอีกอยกมือหน่อยใครอยากจะคุยยกป้ายไม่ใช่ยกมือยกมือไม่รู้หรอกเบอรอ์สี่ิหาเชิญนรันสการหลวงพ่อครับช่วงที่ส่งการบ้านเมื่อ6เดือนก่อนหลวงพ่อให้มาดาูสภาวะที่เกิดขึ้นในจิตมะขึ้นบ่อยให้บ่อยขึ้นก็รู้ตัวได้บ่อยขึ้นฮะจนเห็น โทสะตัวเองได้ชัดเจนยังรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่โทสะจริตเออดีแล้วทุกครั้งที่ออกไปพบปะผู้คนจะรู้สึกว่ามันจะใส่ฟอร์มมียูนิฟอร์มใส่ว่าอจะปกปิดตัวตนนะครับอันนี้ก็อยากจะมาขอการบ้างเพิ่มเติมที่ยมฝึกนี่นะใช้ได้แล้วนะจิตใจยมเปลี่ยนไปเยอะละวเมื่อคุณฝึกของคุณต่อไปอย่างที่ฝึกนี้แหละทํำอีกครับดีแล้วฝึกมาใช้ได้แล้วจิตเปลี่ยนไปหมดแล้วรู้สึกไหม ดีอา้าวด็อกเตอร์ก็พ่อครับจะขอโอกาส<น>ให้คุณแม่ครับผมไหนคุณแม่อยู่ไหนนท่านนั่งอยู่กลางๆครับเดี๋ยวขอโอกาสนะครับนายยกมือหน่อยคุณแม่คุณแม่นั่งบนโต๊ะครับ <laughs> ขอโอกาสนะครับเอาเอ า, อามามาลูกกระตันอยู่กรับกลาบลวงพ่อคะ่ะขอให้หลวงพ่อสอนสมาธิหรือจิตหือฟังไม่ออก <laughs> ขอให้หลวงพ่อสอนให้จิตสงบจิตสงบเราทีนี้แต่ว่าเวลานี้ฉันนะสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าก็เย็นแต่ว่าก็ยังจิตยังไม่คยสงบเท่าไหร่แล้วก็ยังนั่งสมาธิก็ไม่คยได้เอางี้เอางี้ลูกชายช่วยพูดแปลให้หลวงพ่อฟังได้หนึ่งโอเคคือตอนนี้คุณแม่ท่านอ่สวดมนต์ไหว้พระทุกทุกวันนะครับผมเออะจะจะใช้การสวดมนต์เป็นการภาวนาครับ แต่ว่ายังไม่รู้วิธีการวิปัสนาบอกแม่ไว้นะเวลาสวดมนต์อ่ะแล้วใจมันหนีไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้รู้ทันว่าจิตเป็นไปคิดแล้วมาสวดอีกเช่นอรหังสัมมาเนี่ยจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันสัมพุทโธพักระวจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันจิตของคุณแม่หนีไปคิดบ่อยมากดูง่ายออกนะไปฝึกเอานะไปเอากล้องคบคุณัยกไปส่งไม่ไหนช่วยส่งไม่ ตอนนี้อยู่ที่บ้านมันกดมากเลยครับกดอยู่ตอนนี้อยู่ที่บ้านกดมากกว่าตอนนี้สี่ห้าเท่าได้ฮะเหรอก้องเลิกไปเลยเจะเลิกทําในรูปแบบไปก่อนเลยครับเลิกไปก่อนเลยนะไปฟังเพลงครับฟังเพลงแล้วสบายใจรู้ว่าสบายใจอะไรนะแล้วเสร็จแล้วค่อยมาทําใหม่ครับต้องแก้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเครียดเกินคเครียดไม่ดีเพราะ บ, บางทีมันรู้สึกเหมือนกับ อยากจะลองกรีดมาเลยมันเค ย, ยไม่แมวแล้ ว, เ, ลวเก็บขวดไปแล้วไปไปฟังเพลงห้ามเรียนแบบนั้นเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะเดี๋ยวพากันไปฟังเพลงใหญ่อันเบอร์าสมค่ะนมันส ก, การหลวงพ่อคะ่ะทุกวันนี้จะสวดมนต์แล้วก็จะบริกรรมพุทโทอ่ะคะ่ะไม่ทราบ ว, ว่าเหมาะกับจริตไหมคะเหมาะน น, นแต่ว่าต้องรู้นะว่าเราพุทโทเนี่ยเราดูจิตเป็นหลักพุทโธเป็นตัวรองเท่านั้นเอง พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตนั้นพุทโธแล้วจิตเราเป็นไงเราคอยรู้ทันจิตไว้ไม่ใช่พุทโธให้จิตนิ่งนะเอาคุณพุทโธแล้วจิตมันน้อมไปสู่ความนิ่งมากไปอย่างนี้ต้องไปดูกายเพิ่มด้วยใช่ไหมคะฮะยังไม่ต้องหรอกดูแต่จิตรู้ทันกันนะพุทโธพุทโธไปแล้วก็จิตนิ่งลงมารู้ว่าจิตนิ่งพุทโธแล้วจิตแอบไปคิดรู้ว่าจิตแอบไปคิดพุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตไว้ค่ะเพราะว่าตอนนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าเครียด นั่นแหละมันน้อมจะให้ตึงๆนิ่งๆไว้<ม>ไปกดจิตให้นิ่งนั่นแหละไปพุทโธแล้วทาจิตให้นิ่งอย่าไปให้นิ่งพุทโธแล้วก็ปล่อยให้จิตทํางานแล้วเราตามรู้ไปเรื่อยๆพุทโธเป็นแบ็กกราวเราดูจิตเป็นตัวหลักไม่ใช่พุทโธเพื่อให้จิตสงบของคุณไปพุทโธมุ่งให้จิตนั่นนิ่งก็งเลยเครียดขึ้นมาถ้ารู้ถ้าเรารู้แบบเบาๆนี่คือจิตมันจะตื่นขึ้นมาเองใช่ไหมคะดูเบาๆถ้าจงใจเบาๆก็แกล้งเบาก็ไม่ใช่อีกนะแต่ถ้าจ้องไว้ในผิดแน่นอน ถ้าเบาๆนี่อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นคุณพุโทโธไปแหละแล้วก็คุณก็รู้ทันจิตไปไม่ใช่พุโทโธให้จิตนิ่งแต่พุโทโธเพื่อรู้ทันจิตจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวไปแล้วก็คอยรั่วเอาออเบอร์ยีห้านี่อยู่กลางห้องเลยมากลางห้องช่วยส่งไม้ช่วยรับหน่อยมาเรียนที่นี่นะต่อไปไ ป, ไปวิ่งวิ่งพลัดได้เลยสบาย นมัส ก, การค่ะหลวงพ่อเมื่อคือเมื่อเจ็ดเดือนก่อนหลวงพ่อเคยบอกหนูว่าจิตหนูพร้อมจะติดนิ่งะะอ่ะยกไหม่ค่ะคือเมื่อเ จ, ด เ, จดเดือนก่อนนะคะหลวงพ่อเคยบอกหนูว่าจิตหนูพร้อมจะติดนิ่งอ่ะคะ่ะทีนี้หนูก็ไปตามรู้ตามดูก็รู้สึกว่ามันน่าจะคลายแล้วนี่ใช่แล้วขอบคุณค่ะร้อยหนึ่งกลับนมาส ก, การท่าน พระอาจารย์ค่ะพอดีหนูก็เพิ่งครั้งแรกที่จะมาได้มาที่นี่นะคะทีนี้หนูอยากจะขอแนวทางการภาวนาบางทีเนี่ยหนูใ้ชีวิตเนี่ยหนูมีเรื่องทุกข์มากจนบางกีสวดมนต์ก็ยังจะร้องไห้แล้วหนูก็อยากจะให้จิตใจหนูสงบคืองความทุกข์เนี่ยนะมันมีสองส่วนความทุกข์ของร่างกายนี่อันนึงความทุกข์ของจิตใจนี่อันหนึ่ง ศา ส, สนาพุทธเนี่ยจะสอนจนเราไม่มีความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายนี่เป็นเรื่องปกติต้องมีเมื่อเกิดแล้วต้องมีความเจ็บความแก่ความตายนี่ธรรมดานะนี่ทำยังไงดีความทุกข์ทางใจมันเกิดจากเราไม่ยอมรับสิ่งที่เรากําลังเป็นอยู่สิ่งที่เรากําลังประสบอยู่นะเช่นเรากําลังเจอโรคภัยไข้เจ็บอยู่ส่วนนี้เราไม่ยอมรับเราไม่ยอมรับความจริงตรงนี้ใจเราจะมีความทุกข์ขึ้นมา เราจะต้องพลัดพรากสมมติเราต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักเราไม่ยอมรับความจริงว่าจะต้องพลัดพรากใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมานะใจมันเป็นทุกข์ขึ้นมาได้เพราะมันไม่ยอมรับความจริงที่กำลังปรากฏขึ้นกับชีวิตตัวเองนะงั้นให้เรารู้ทันลงไปที่ใจเห็นไหมใจมันดิ้นรนใจมันไม่ชอบใจมันไม่พอใจนะใจมันทุกข์ใจมันดิ้นไปดิ้นมาเราคอยรู้ลงไป ถ้าเรารู้ทันมากๆนะใจเัีจะค่อยๆสงบค่อยๆเป็นกลางขึ้นมานให้เรารู้ทันไปใจไม่ชอบอะไรเราก็รู้ทันออกไปเช่นใจไม่ชอบเลยที่ร่างกายเจ็บป่วยแบบนี้นให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะใจอยากจะมีความสุขอยากจะมีความสบายเหมือนคนอื่นให้รู้ทันว่าใจมีความอยากคุณดูสองอันเท่านั้นดูใจที่ชอบกับใจที่ไม่ชอบ ใจที่มีความชอบกับใจที่ไม่ชอบเนี่ยเกิดขึ้นทั้งมันเลยคุณดูอยู่แค่นี้ก็พอละนะถ้าเมื่อไหร่ดูไปมากๆ ม, มันจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะเช่นความสุขที่เกิดขึ้นเราดูไปถึงเราจะชอบนะความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวนะเราจะเกลียดนะความทุกข์มันจะมีมันก็มี ปัญหาทั้งหลายจะเกิดขึ้นในชีวิตถึงเวลาจะเกิดมันก็ต้องมีห้ามมันไม่ได้ถ้าใจยอมรับว่าทุกสิ่งนะมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็หายไปทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวกระทั่งร่างกายเราจิตใจราในชีวิตของเรานี่ก็เป็นของชั่วคราวถ้าใจยอมรับได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยนะความทุกข์จะไม่มีหรอก เวลาที่มีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ว่าความทุกข์นี้เป็นของชั่วคราวเราจะไม่กลุ่มใจใความสุขเกิดขึ้นเรารู้ว่าเป็นของชั่วคราวเราจะไม่หลงระเริงนะงั้นดูลงไปนะทุกอย่างในชีวิตเหานี้ชั่วคราวทั้งหมดเลยดูอย่างนี้นะถ้าเรายังไม่เห็นใจมันจะชอบขึ้นมาบ้างใจมันจะชังขึ้นมาบ้างใจมันชอบก็รู้ทันลนะใจมันไม่ชอบขึ้นมาก็รู้ทันนะรู้อย่างนี้เรื่อยๆความทุกข์มันจะเหลือเฉพาะที่ร่างกายแต่ใจจะไม่ทุกข์หรอก หลวงพ่อคะหลวงพ่อคะตอนนี้ตัวที่ประคองนิ่งๆเอาไว้เนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วหรือยังคะมันมีโมหะใจมันมัวรู้สึกไหมค่ะมันมัวมันซึมมันเสื่องให้รู้ทันเอาตอนนี้ไม่ต้องประคองมันก็ไม่สดหรอกเพราะมันเสื่องซึมมันแบบเหนื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเออมันเหนื่อยนะต้องพักบ้างนะลดงานทางโลกลง เพิ่มงานในใจเราให้เยอะดูใจของเราให้เยอะขึ้นงานอื่นๆลดลงนะงานมากไปภาวนาไม่ไหวแล้วเห็น <He en S 2> ไหมใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี่ยเราหันไปดูเขาดูไปดูมาเราใจลอยไปนะเราลืมตัวเราเองนะคอยรู้สึกเล่นๆรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกเล่นๆไปเห็นทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวท่องไว้นะว่าทุกอย่างนี้ชั่วคราวจำตรงนี้ไว้แล้วไม่ทุกข์มากรก เจ็สิบสองาวเจ็ดสิบสองกลามนัษการหลวงพ่อค่ะหนูเริ่มใสศรัทธาหลวงพ่อมาตั้งแต่ครั้งแรกที่อ่านเอาเอาย่อๆตอนนี้เป็นยังไงค่ะแล้วหนูไปเมืองการแล้วหาท่านไม่เจอหนูเสียดายคือหนูปฏิบัติตั้งแต่หนังสือปฏิบส่องธรรมยังไม่ออกเลยนะคะแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยก้าวหน้าแล้วก็ขี้โมโหคือมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ขัดเคืองใจเก่งมากหนูก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่า หนูควรจะทํายังไงเพึ่งซึ่งการดูจิตหนูก็ดูมาตั้งนานแล้วอะค่ะให้ดูไปสินะกิเลสหลักของเราคือโทสะใช่ไหมดูจิตมาตั้งนานเรายังโมโหเลยใช่ค่ะคือยิ่งเวลาอ่านหนังสือหลวงพ่อบอกว่าพอเราดูจิตปุ๊บเนี่ยมันจะดับนะคะบางทีมันไม่ดับอะค่ะหนูก็รู้ที่เขาดเป็นขณะขณะนะเหตุของมันยังอยู่มันก็ปลุงความโกรธขึ้นมาอีกเพั้นเราไม่ได้ดูจนมันดับถาวรนะมันจะดับในขณะที่เรารู้ทันเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีก ขึ้นมอีกเราก็รู้อีกทั้งวันเราจะเห็นจิตมีสองชนิดเท่านั้นเองคือจิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะดูอย่างนี้นะจิตที่มีโทสะจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้จิตไม่มีโทสะนะรักษาไว้ก็ไม่ได้นะประเดี๋ยวโทสะก็มาอีกเพราะฉะนั้นคุณไปดูจิตหนึ่งคู่นะจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะมันจะเกิดสลับกันทั้งวันเลยดูอย่างนี้ยไม่ใช่ดูเพื่อให้หายนะไม่ใช่ว่าดูเพื่อไม่ให้มีโทสะ ดูไปจนวันหนึ่งปัญญามันเกิดมันเห็นในจิตที่มีโทสะกับจิตที่ไม่มีโทสะเนี่ย เ, เท่าเทียมกันเพราะเกิดแล้วดับเหมือนเหมือนกันไปดูอย่างนี้นะใจจะเป็นกลางจิตมีโทสะเกิดขึ้นใจก็เป็นกลางโทสะหายไปใจก็ยังเป็นกลางค่ะคือพอมันท่านยิ่งแรงๆมันก็จะรู้สึกมันก็มันมั น, ม, นมันก็ยังคงเดิมไม่ดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละใจมันไม่ชอบมันยังไม่มีสติแท้ ในขณะที่อย่างโทสะเกิดขึ้นเราไปดูมันนะถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ยมันดับเองแต่ถ้าเราไปดูแล้วเราเกลียดมันความเกลียดโทสะนั่นแหละเป็นโทสะอีกตัวหนึ่งเหมือนื้อไฟกำลังไหม้นะเราอุตส่าห์เอาไฟไปเติมอีกเอาเชื้อไปใส่เพิ่มให้เรารู้ลงไปว่าใจเราไม่ชอบโทสะนั่นแหละ ทีนี้หนูขออีกคําถามหนึ่งนะคะคือว่าธรรมดาเวลาเราดูกายดูใจให้มาตามรู้กายตามรู้ใจเราก็จะรู้สึกว่าเรามีร่างกายอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าขึ้นหนูสนใจมันจะไม่รู้สึกว่าเรามีร่างกายอยู่มันจะรู้สึกว่าร่างกายมีอยู่ก็ค่ะมีร่างกายไม่เหมือนกันนะเรามีร่างกายกับร่างกายมันมีเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะร่างกายไม่ใช่เราถ้ารู้สึกถูกต้องนะจะเห็นว่าร่างกายมันมีอยู่แต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เราเพราะงั้นไม่ใช่เรามีร่างกายนะ ความรู้สึกสองอันนี้จะไม่เหมือนกันมีร่างกายอยู่อมีร่างกายอยู่ไม่ใช่เรามีกายใช่ใชค่ะก็คือคือรู้สึกว่ามีอยู่เนี่ยค่ะว่ามันมีว่ามีว่าเรากลังเคลื่อนไหวเรากําลังเดินกำลังอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่มีเราอีกแล้วเห็นไหมเรากําลังเคลื่อนไหวเรากําลังเดินเห็นไหมเรารู้สึกว่ากายเนี่ยเป็นเราให้เรารู้ทันลงไปเลยร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นแค่คนดูทําตัวเป็นแค่คนดูดูสบายๆเห็นมันเดินไปเรื่อยๆ ทีนี้หนูถามว่าคือหนูแบบว่าอาจจะเป็นว่าที่ไม่ก้าหน้าเพราะาเป็นเพ่อฉอบขี้สงสัยหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราดูทีวีชี่สงสัยด้วยนะ<ช>และ้วเวลาความสงสัยเกิดเนี่ยใจจะกระโจนเข้าใส่เลยรู้สึกไม้มใจจะกระโดดเข้าไปคิดอุตลุดเลย แล้วก็ถ้ารู้สึกตัวก็รู้ว่ากําลังสงสัยแล้วนะค่ะทีนี้เวลาเราดูทีวีใช่ไหมคะนางเอกนภเอกอะไรเงี้ยใจเราก็จะตรงไปอยู่ในทีวีใช่ไหมฮะเราก็จะหลงค่ะหลงลืมตัวเองไปเลยนั่นแหละให้รู้ว่าใจเราไหลไปอยู่ในทีวีแล้ค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเรามารู้กายรู้ใจเราก็จะมีร่างกายอยู่ใช่มันก็รู้สึกมันจะกลับกลับกับความรู้สึกว่า <ST. S 2> เพราะว่าพอเราถ้าหลงไปนะกายก็หายใจก็หายถ้ามีสติขึ้นมาก็มีกายมีใจ เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับกันว่าเอ๊ะถ้าเราเรามีสติแล้วเราเกิดปัญญาสักวันหนึ่งเราก็จะเห็นว่าไม่มีเราใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราดูทีวีเสร็จไม่มีแน่ๆเลยเพราะมันหายไปเลยใช่หนูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าถ้าเราดูทีวีมันไม่มีมากกว่าหรือเปล่าไม่ใช่มันโง่ <laughs> มันเหมือนคนเป็นมะเร็งนะแล้วไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งอะ่ะก็กลายว่าชั้นแข็งแรงกําลังเป็นโรคอยู่คือจิตใจกําลังมีกิเลสครอบงำกาลังหลงอยู่ เราไม่รู้ว่ากําลังหลงอยู่แล้วก็รู้สึกฉันไม่หลงละไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสนะมันหลงไปมันไม่เห็นต่างหากไม่มีกับไม่เห็นนัไม่เหมือนกันนะอืคือไม่เห็นนะคะหลวงพ่อคําสามสุดท้ายนะคะคือว่าตอนนี้หนูเริ่มมีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วหมอก็บอกว่าให้พยายามหายใจยาวๆลึกๆ แล้วก็ทําร่างกายผ่อนคลาย15นาทีจะทําให้เหมือนเราได้กินยาลดความดันหนึ่งเม็ดหนูก็เลยมานั่งสมาธิแบบจงใจในการตั้งใจตรงใจเลยนะคะเพื่อให้หายใจยาวๆลึกแล้วเราก็ดูความรู้สึกว่าเราอยากจะจงใจในการหายใจคือเราดูซ้อนค่อยไปอีกครั้งหนึ่งหนูทําถูกไหมคะแบบ<ช>นี้นะคะอย่างนี้ยังถือว่าเป็นอนุปัสนาหรือปัญญาหรือว่าเป็นสมถะคือพบางทีหนูก็สงสยัยเออตกลงแล้วเราฟุงา้งซ่านรู้สึกไหมใช่เนี่ยใจฟุ้งซ่านบ่อยนะให้รู้ทันอย่างนี้แหละ เวลาคุยแล้วฟุ้งเพราะงั้นอย่าคุยเยอะถ้าคุยแล้วจะฟุ้งแรงหายใจไปหายใจไปด้วยใจที่ผ่อนคลายไม่ใช่หายใจเพื่อให้ความดันลดนะความดันมันลดเพราะใจเราผ่อนคลายต่างหังให้เราหายใจไปอย่างสบายสบายเห็นร่างกายมันหายใจไปพอใจเราสบายมันจะหายใจยาวเองอะแล้วที่นี่ก็สมถะหรือว่าพี่ปัสนะสมถะใช่ไหมคะไม่เห็นใจรักทีนี้ถ้าเราจะพลิกเป็นปัสนาโดยการเห็นว่ามัน มันมียาวแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลงอีกแล้วเคลิมไปอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะใช่ค่ะเอาให้คนอื่นบ้างพูดคนเดียวนานไปแล้วค่ะสี่สิบแปดกลาอบคุณค่ะนะอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังนะรู้สึกไว้นะรู้สึกไปกดจิตไว้แล้วรู้สึกเปล่าอย่ไปกดมันสิปล่อยมันรู้สึกเฉยๆอย่าไปกดมันนะรู้สึกของคุณต้องคุยน้อยๆนะพอคุยแล้วมันจะอินนะรู้สึกไหมมันจะอิน มันจะอินอินนี่คือหลงไปเลยไม่ดีรู้สึกเล่พอรู้สึกแล้วมันจะผ่องใสสว่างขึ้นมาอ้าว่าไปกราบนรสกา ร, การครับหลวงพ่อผมส่งการบ้านเมื่อเดือนที่แล้วหลวงพ่อว่าผมติดเพ่งแล้วก็ติดแช่นิ่งๆครับดีแล้วหายแล้วนี่แต่ตอนนี้ถ้าพผมไปเพ่งมันจะปวดต้นคอครับอย่าไปเพ่งมันสิเมื่อกี้จินมก็เคลื่อนไปข้างหลัง อย่าเพ่ง ร, รู้สบายสบายรู้ไปอย่างสบายนะไม่เพ่งเอาดีขึ้นละเอาเบอร์สิบสองขอบคุณมากครับการนมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าหนูปฏิบัติมาได้ระยะหนึ่งแล้วอะค่ะอยากเรียนถามว่าหนูปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือยังอะคะอย่าประคองใจให้นิ่งนะอย่าบังคับของคุณยังชอบบังคัมคบมันนิดหน่อย รูสบายๆดูกายดูใจนี่เหมือนเราดูคนอื่นไปเรื่อยๆดูสบายๆอย่าบังคับมันนะอย่าบังคับแรงไปดูเล่นๆน่ะรู้บ้างเผลอบ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้าอยากรู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นการเพ่งไหมนะดูสบายๆเอาให้สบายกว่านี้อีกยิ้มก่อนยิ้มหวานๆก่อน <c oughs> รู้สึกไหมใจตอนเนี้ยมันเป็นธรรมดารู้สึกไหมใจอย่างเนี้ยปล่อยให้มันเป็นธรม ร, มนนธรมดายัางเงี้ยเราตามดูมันทํางานไปดีกว่าไปประคองทื่อๆไว้ไม่ดีหรอก เริ่มประคองอีกแล้วเบอร์สองอยู่ข้างหลังข้างหลังกราบนามสการหลวงพ่อค่ะคือจะขอพูดดังๆจะดูอย่างไรให้เหมาะกับจริต่ะคะอย่าเพ่งสินะเพ่งแรงไปเพ่งแรงมากเลยใช่ไหมคะใช่แรงแล้วเหนื่อยนะดูค่ะอย่ <laughs> อยเพ่งมันเหนื่อยเพ่งมันทำไม เราเราเพ่งเพราเรารักตัวเองเราอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้นะมันไม่ยอมหลุดนะคะลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนถือศีลห้าไว้ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานะแล้วก็ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็ค่อยรู้เอาไม่ต้องรู้ตลอดเวลาก็ได้ตอนนี้อันนี้เป็นวิธีที่จะให้หายจากที่เพ่งไว้อะน ะ, ะต่อไปก็หัดรู้สึกตัวไปเรื่อยถึงเวลาก็ทําความสงบทําสมถะก็ต้องทําแต่ตอนนี้ทิ้งมันก่อน มันเพ่งแรงไปหน่อยค่ะ ข, ของคุณเนี้ยเนียกลับไปเพ่งอีกแล้วเห็นไหม <c oughs> พอคิดถึงปฏิบัติแล้วมันจะเพ่งลืมเขาว่าปฏิบัติได้ไหมจะพยายามเป็นคนธรรมดานะ <c oughs> เป็นคนธรรมดาดีที่สุดเลยค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยมาฝึกภาวนาสมถะอะไรค่อยมาฝึกอีกทีนึงค่ะตอนนี้ <c oughs> แก้ไอ้ตรงที่ติดนี้ก่อนเบอยี่สิบเอ็ด ก็ภาวนามาปีกว่าแล้วนะคะปกติก็จะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิตอนเช้าก็จะมีสติตามรู้ใจที่หนีไปคิดเวลาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค่ะแล้วก็เวลานั่งสมาธินานๆก็จะปวดขาค่ะก็จะเห็นความปวดนั้นอยู่ห่างๆค่ะ เ, ออเห็นไหมความปวดก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งนะแต่อย่าไปประคองไว้นะนนี้มันประคองความรู้สึกตัวแรงไป รู้ให้เป็นธรรมชาติไหมค่ะต้องไงฝ <Okay. S 1> ึกเล็นผ่อนคลายกว่านี้นะตอนนี้มันตื่นเต้นมากแข็งไปหมดแลเบอร์หกเบอร์หกอยู่ไหนว่างไว้ด้วยอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังค่ะหนูปฏิบัติทางด้านสมถะมานานแตะตอนนี้เพิ่งเริ่มมาดูจิตได้ประมาณสักเดือนสองเดือนนะคะอยากทราบว่านหนูเหมาะกับจริตประเภทไหนคะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะ เอาคุณดูกายไปด้วยค่ะแล้วต้องดูจิตควบคู่ไปด้วยจิตมันเห็นเองอ่ะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกไว้เพอจิตมันไหวตัวเดี๋ยวจะเห็นเองค่ะแล้วหนูจะติดนิ่งเยอะไหมคะติดอยู่ยังไม่หมดยังติดอยู่ให้ควรจะเคลื่อนไหวกายให้มากเคลื่อนไหวร่างกายไว้นะอยากกาหนดค่ะเคลื่อนไหวแล้วอยากําหนดนักําหนดไม่ใช่เลยไม่ใช่ทางอ่าค่ะเบอร์ร้อยห้าขอบคุณคุณค่ะ หลวงพ่อคะคือตอนนี้ก็คือสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็เดินจงกรมอยู่แล้วก็ปฏิบัติอยู่โดยการตามรู้กายรู้จิตนะคะอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่ทําอยู่เนี่ยถูกต้องไหมรู้สึกไม่สบายขึ้นสบายค่ะนะทำอีกทำไปเรื่อยๆทําไปอย่างนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมคะใช่ได้ทำไปอีแล้วจลิตที่ใช้เดินจงกรมนี้ใช้ได้ไหมใช่ได้ใช่ได้อ๋อค่ะขอบพระคุณอ่ะเบอร์เกค่ะก็โยมเพิ่งเริ่มปฏิบัติแนะคะ กลัวหลวงพ่อไหมกลัวค่ะให้รู้ว่ากลัวค่ะไอ้กลัวสิไม่ทําอะไรใครหรอกก็ตอนนี้ใช้บริการพองยุบอยู่อะค่ะแล้วก็มาเริ่มมาฟังซีดีของหลวงพ่อมาไม่กี่เดือนนะคะแต่ใจเริ่มคลายแล้วนะใช่อยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่ท้องแล้วดีอยู่ที่ท้องไม่ได้เรื่องหรอกไปเอาไว้งั้นเป็นสมถะหนูติดเพลงค่อนข้างเยอะอยู่ไหมคะไม่มากแล้วใจเริ่คลายออกแล้ว่ะ ดีแล้วนะคอยรู้สึกไปเรื่อยเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูไว้เห็นจิตไปคิดเป็นนึกไปปรุงไปแต่งใจเป็นคนดูไว้ฝึกอย่างนี้นะอันเบอร์สี่สหคนสุดท้ายแล้วที่เหลือดีใจได้จะได้กลับแล้วนมัศการกับหลวงพ่อเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วห้าวันที่แล้วหลวงพ่อว่าจิตโยมติดนิ่งหาเพิ่งส่งกันบ้านเมื่อห้าวันที่แล้ว ค่ะหลวงพ่อทนน่นี้มันลงไปนิ่งตอนนี้ยังนิ่งอยู่ไหมคะหลวงพ่อไม่ไม่นิ่งอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันตื่นแล้วคราวนี้หลวงพ่อยมมียมมีสภาพธรรมถามหลวงพ่อว่าที่โยมเห็นเนี้ยใช้ใช่แปัญญาที่เห็นหรือว่าเป็นเป็นความคิดนะคะคือโยมเห็นเนี้ยเห็นไอเวทนาที่กายเนี่ยพอมันดับพอเวทนาที่กายมันดับโยมเห็นันเห็นจริงๆริงมันเห็นจริงๆแต่ที่โยมเห็นคือจากจากนั้นคือโยมเห็นจิตที่มันไปยึดโยมเห็นอุปทานค่ะหลวงพ่ออุปทานที่ถูกแล้วใช่ใช่ไหมคะ แล้วพอหลังจากนั้นพอสติไปตามเห็นว่าอุปทานอ๋อมันถูกมันถอนออกมาใช่ค่ะแล้วมันก็พอหลันถอนออกมาถูกแล้วไปภาวนาถูกล้วสงฆ์ก็ถามอีกนิดนึงว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยจิตมันเหมือนกับพอมันรู้มันตั้งมั่นทีนี้เนี่ยสภาพทำธรรมอารมณ์ต่างๆมันเข้ามามันก็สักแต่รู้ไปมันไม่ปรงต่อที่ถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วที่ทําอยู่อะถูกแล้วแต่อย่าประคองไว้นะตอนนี้ประคองไหมคะตอนเนี้ประคองแต่ว่าตอนอยู่ข้างนอกไม่ได้ประคองแบบนี้จิตมันถอนออกมาเป็นคนดูได้แล้วขอบคุณการทำถูกต้องแล้วนะ อาเชิญับ